เธอตามหลักพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไงภิกษุทั้งหลายถ้ามีใครชมเธอว่าดีเธออย่าไปดีใจกับคำชมนั้นถ้ามีใครมาติเธอว่าไม่ดีอย่าไปเสียอกเสียใจเพราะคำตินั้นเพราะถ้าดีใจหรือเสียใจไม่เกิดปัญญาอะไรแต่เธอต้องพิจารณาตัวเอง เขาว่าดีแล้วเราดีหรือเปล่าถ้าเราดีก็ทำดีเพิ่มไปแต่ถ้าไม่ดีเหมือนเขาว่าก็ควรจะทำตัวให้ดีแต่ี่จะเขาติว่าไม่ดีก็อย่าไปกลุ้มแต่ต้องพิจารณาว่าเออเราดีมันไม่ดีจริงหรือไม่แต่เห็นว่าไม่ดีก็แก้ไขใช่อยามีสบายมันไม่ยุ่งมันไม่ยุ่งเพราะว่าเราใช้หลักการของพระพุทธเจ้าเขาจะติเขาจะชม เราไม่ยินดียินรายแต่เรารับมาพิจารณาตัวเราเองว่าดีเหมือนเขาชมหรือเปล่าเสียเหมือนเขาตีหรือเปล่าแต่เห็นด้วยตัวเองก็แก้มันจะก็บอเรื่องโยมก็เหมือนกันใรมาว่ามีคนมาแมกคนนั้นว่าคนยันอย่างนี้คนมาคนก็โกรธันว่าอย่างนั้นเด็กเด็กต้องไปจัดการหน่อยนะได้เลย ได้อะไรบ้างที่เราไปจัด ก, การไปเถียงกับเขามาได้อะไร